สิกขาบทวิพัง369ที่ชื่อว่าใหม่พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงผ้าที่ยังไม่ทำพินทุกกลัปะที่ชื่อว่าจีวรได้แก่จีวรหชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าภิกษุพึงใช้วัตถุที่ทำให้เสียสีสมชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาทำให้เสียสีคือโดยที่สุดภิกษุพึงทำให้เสียสีแม้ด้วยปลายหญ้าคาแตะ ที่ชื่อว่าสีเขียวได้แก่สีเขียวสองอย่างคือเขียวสำริดสีเขียวใบไ ม, ม, ม้ที่ชื่อว่าสีตมพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงสีน้ําโคลนที่ชื่อว่าสีดําคล้ําได้แก่สีดําคล้ําอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าถ้าภิกษุไม่ใช้วัตถุที่ทําให้เสียสีสามชนิดอย่างใด อ, อย่างหนึ่งมาทําให้เสียสีความว่าโดยที่สุดภิกษุไม่เอาปลายยาคาแตะวัตถุที่ทําให้เสียสีสามชนิด อย่างใดอย่างหนึ่งมาทำให้เสียสีแล้วใช้สอยจวนใหม่ต้องอาบัดปลาจิตตี